ขอเชิญรับฟังธรรมคีตะโดยท่านชาตวโรเรื่องพระคุณแม่มารดาบิดาเป็นบุคคลพิเศษสำหรับบุตรธิดาท่านควรได้รับการเคารพ บ, บูชาจากรูปอย่างแท้จริง เพราะน้ำใจอันเปลี่ยนไปด้วยความรักลูกนั้นไม่เคยจืดจางหรือเปลี่ยนแปลงจะหาความรักใดบริสุทธิ์สะอาดและมั่นคงเสมอด้วยความรักที่มาดาบีดามีต่อลูกนั้นยากนักแม่บุคคลที่สังคมตราหน้าว่าเป็นคนบาปคนทั้งหลายพากันรังเกียจไม่อาจจะคบหาสมาคมแต่ ผู้ที่จะอบอุ้งคุ้มครองอยู่ตลอดไปโดยไม่ยอมทอดทิ้งก็คือพ่อและแม่เมื่ออยู่ในครันพอรู้ว่ามีชีวิตอีกชีวิตหนึ่งอาศัยอยู่ในร่างของตนแม่ก็เริ่มถนอมด้วยหัวใจรักสิ่งใดอันรู้ว่าจะเป็นอันตรายแก่ลูกแม้จะหิวกระหายไข่ดื่มไข่ลิ้มอย่างไรก็งดสิ่งนั้นเสีย ยอมอดยอมทนยอมทรมานเสียเองมารดาคอยการจเจริญเติบโตของลูกในคันด้วยหัวใจที่เปี่ยมไปด้วยความกรุณาและความหวังหวังว่าลูกจะเป็นคนดีจะเริ่มคิดถึงอนาคตของลูกมีการเตรียมการต่างๆเพื่อลูกเมื่อคลอดออกจากคันแล้วครั้งแรกที่ได้เห็นลูกความรัก ก็แล่นเข้าจับหัวหัวใจจะยึดครองดวงใจนั้นความปราโมดสมมนัดสุดจะพันธนาได้จะเอาอะไรมาแลกมาให้ก็ไม่ยอมท่านทั้งสองรู้สึกว่าการรับผิดชอบอย่างใหญ่หลวงได้เกิดขึ้นแก่ท่านแล้วรับผิดชอบต่อชีวิตของลูกอนาคตของลูกและความกินดีอยู่ดีของลูกเมื่อมีน้อย ท่านก็ยอมอดอาหารนั้นเสเองเพื่อไว้ให้ลูกอันเป็นที่รักดั่งดวงใจหรือยิ่งกว่าทั้งพ่อและแม่ทนตรากตรำทำงานไม่ว่าหนักหรือเบาทั้งกลางวันและกลางคืนไม่เกรงต่อแดดลมและฝนยอมทนเสี่ยงอันตรายต่างๆเพื่อชีวิตของลูกและการศึกษาของลูกลองพิจารณาดูเถิดใครบ้าง จะมีจิตใจอ่อนโยนมองด้วยสายตาอันเปี่ยมไปด้วยความรักเสมอด้วยพ่อแม่มองดูลูกเพราะเหตุชนี้สมัยที่พราหมณ์ทั้งหลายถือว่าพระพรหมเป็นสิ่งสูงสุดพระพุทธเจ้าจึงทรงชี้ให้ท่านทั้งหลายเห็นว่ามารดาบิดานั่นเองเป็นพรหมของลูกเมื่อคนทั้งหลายถือว่าพระอรหรันต คือผู้สิ้นกิเลสเครื่องเศร้าหมองเป็นผู้ที่ประชาชนยกย่องว่าเป็นผู้ควรแก่การได้รับการเคารพ บ, บูชาอย่างสูงสุดเป็นอาหูเนยยะบุคคลเป็นทักขิเนยะบุคคลพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าพ่อแม่นั่นเองเป็นพระอรหันต์ของลูกเป็นอาหูเนยะบุคคลเป็นทักขิเนยะบุคคลของลูกลูกจึงควรเคารพ บ, บูชาพ่อแม่ บ้านใดตระกูลใดลูกเคารพ บ, บูชาพ่อแม่บ้านนั้นตระกูลนั้นชื่อว่ามีพรมอยู่ประจํามีพระอรหันต์อยู่ประจําผู้บํารุงมารดาบิดาจึงชื่อว่านําสิริมงคลมาสู่ตนทุกวันทุกวันมีแต่ความสุขความเจริญพระคุณของพ่อแม่มีเหลือจะพรรณนาให้หมดสิ้นได้ ท่านจึงได้กล่าวเป็นอุปมาไว้ว่ า, วาเอาแผ่นฟ้ามาวางต่างกระดาษเมรุลาาเป็นปากกามาถือเขียนมหาสมุทรดุดมึกแล้วตรึกเพียนไม่อาจเขียนพระคุณพระมาดาแม้พระคุณแห่งบิดาก็เหมือนกันส่วนใครจะมีบุญคุณมากหรือน้อยกว่ากันนั้นขึ้นอยู่กับการกระทำ ของแต่ละบุคคลเป็นหนึ่งหลายๆไปด้วยเหตุนี้กองทัพธรรมมูลนิธิและมูลนิธิธรรมสันติจึงได้นําบทกวีระลึกถึงพระคุณของแม่มาเสนอต่อท่านผู้ฟังเพื่อที่จะได้ระลึกถึงพระคุณของพ่อแม่ที่มีต่อลูกเพราะพ่อแม่นั้นแม้จะขัดสนจนแค้นสิ่งใดก็าตามแต่สิ่งหนึ่งซึ่งท่านไม่เคยขัดสนก็คือความรัก ที่มีต่อลูกจึงขอให้ลูกที่ดีทุกคนน้อมใจบูชาอุปการะดูแลมารดาบิดาผู้ยอมเสียสละเลี่ยวแรงกำลังและความสุขส่วนตัวเพื่ออบรมลูกให้เป็นคนดีเป็นประโยชน์แก่โลกด้วยการรักษาศีลปฏิบัติธรรมให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปพระคุณแม่จะมีมากล้นพ้นรำพันเพียงใดก็ขอเชิญท่าน รับฟังได้ณบัดนี้ลูกรำพึงถึงพระคุณของคุณแม่สำนึกแม่พระคุณท่านนั้นใหญ่หลวงยิ่งคิดไปใจยิ่งอ่อนสะท้อนสวงน้ำตาร่วงไหลคลอหล่อลูกตาด้วยลูกนี้มิได้คิดเป็นนิจจสิน บางทีสิ้นรักแม่ไม่แลหาบางทีลืมหลงผู้อื่นชื่นอุราอานิจจารูปนี้คิดผิดจริงๆโอ้ผู้ใดใครเล่าจะเท่าแม่พระคุณแม่เหนือใครไปทุกสิ่งลูกสำนึกเทียบเปรียบสิ่งใดไม่ได้จริง ช่างใหญ่ยิ่งยากแสนจะแทนคุณตั้งแต่ลูกอยู่ในท้องของคุณแม่ท่านเฝ้าแต่คอยประครบให้อบอุ่นจะเคลื่อนไหวใจท่านผูกปลูกการุนเฝ้าแต่ครุ่นทิศจะเห็นไม่เว้นวัน ตั้งหลายเดือนกว่าจะเคลื่อนจากท้องแม่ลำบากแท้แม่ของลูกทุกมหันเมื่อยามคลอดทอดชีวิตจะปลิดพลันแต่พอท่านเห็นลูกผูกอาไลท่านรักลูกปลูกปลื้มจนลืมเจ็บเหมือนใครเก็บเจ็บปลิด ให้จิตใสเห็นหน้าลูกราวกับยารักษาใจยิ้มละไมมองลูกด้วยผูกพันท่านเลี้ยงลูกปลูกจิตไม่คิดนายมอบทั้งกายยอมอุทิศไม่ผิดพันหลังน้ำนมให้แก่ลูกทุกทุกวันให้ลูกนั้นดื่มกิน ด้วยยินดีแม่เคยหวงซวงถนเมื่อท่านสาวแต่ถึงคราวมีลูกถูกหน้าที่เมื่อลูกร้องต้องกระสงจำนงมีท่านยินดีให้ลูกดื่มจนลืมอายมือทั้งสองของแม่เฝ้าแต่อุ้ม ประคองเคียงอยู่มิรู้หายอกของแม่แผ่เอียงลงเคียงกายให้ลูกหายหนาวยามในค่ำคืนตากของแม่แผ่ให้ลูกดังฟูกนุ่มประคองคุมลูกนิทราไม่ฝ่าฝืนประจงจูบลูบลูกทุกวันคืนเป็นที่ชื่นชูจิตสนิทใจ ยามจะนอนแม่ก็วอนด้วยคำหวานกล่าวประสานก่อมเสียงสําเนียงใสยามจะกินแม่ก็ป้อนวอนอาไยให้ลูกได้อิ่มเอมมกษะเสมสวงยามจะถ่ายแม่ก็หายข้อรังเกียจไม่เคยเกลียดชังตามหรือห้ามห่วงเอามือกอบหอบทิ้งสิ่งทั้งปวง ไรจะล่วงเลยท่านนั้นไม่มีเมื่อยามเล่นท่านก็เป็นเหมือนดังเพื่อนสนุกเหมือนเพื่อนสนุกเป็นสุขขีเมื่อยามร้องท่านก็ปลอบให้ชอบทีเมื่อยามดีท่านก็เสริมให้เพิ่มพูนเมื่อยามอาบโอบอุ้มเข้าคุมลูก ล้างขี้มูกหมองหมางให้สามศูนย์ทาคมิ้นดินสอพองผ่องจำรูนแล้วเทิดทูลแถมจูบเข้าลูปคลำยามเมื่อแม่มีธุระพระจากลูกใจท่านผูกลูกกระสันวันยังค่ำพอกลับมาหาลูกเข้าลูปคลำแล้วคลอดคล่ำ เลินพริ้มอิ่มอุราท่านตื่นก่อนนอนทีหลังระวังลูกใจท่านผูกเพียรระวังตั้งรักษายุงจะกินพลิ้นจะกัดก็พัดพาบางเวลามิได้หลับระงับเลยเมื่อรูไข้ใจของท่านสั่นสะท้าน พยาบาลลูกจริงไม่นิ่งเฉยจะหมดเปลืองเรื่องหมอไม่ท้อเลยซ้ำยังเกยกกถนอมไม่ยอมไกลเมื่อลูกป่วยใจท่านป่วยด้วยกับลูกเฝ้าแต่ผูกใจหมองไม่พ่องใสเมื่อลูกหายคลายคืนท่านชื่นใจยิ้มระใหม่มองพักด้วยรักแรง อีกเสื้อผ้าสารพัดจัดให้ลูกทั้งสร้อยผูกเพชรทองดูส่องแสงจะไปไหนมาไหนใจระแวงคอยตะแคงหูฟังระวังภัยมีอาหารสิ่งใดใจท่านผูกขอให้ลูกกินก่อนผ่อนไว้ให้ถึงจะอดงดบ้างช่างประไรขอแต่ให้ลูกได้กิน ก็ยินดีท่านปราบปรามห้ามลูกให้ละชั่วเพราะท่านกลัวลูกจะหมองไม่ผ่องสีท่านแนะนำทำแต่ทางในข้างดีสอนให้มีหมดทุกอย่างทางที่ควรจะกินอยู่หลับนอนท่านสอนสั่งจะลุกนั่งเคลื่อนไหวไปจนท่วน จะพูดจาปราศัยให้สมควรทุกกระบวนแบบที่ถูกให้ลูกมีถ้าลูกจำทำได้ไปทุกอย่างคงเป็นทางล้ำเลิศประเสริฐสีแต่ลูกเขาเยาอยู่ไม่รู้ดีจึงเกิดมีฝ่าฝืนขืนพระคุณสมควรแท้ที่แม่จะลงโทษ ที่ลูกโสดเขาไปใจสะถุนเมื่อลูกผิดจิตของแม่แผ่การุณมิได้คุณเครื่องขับกลับอภัยเมื่อลูกใหญ่ไวล้วนควรศึกษาแม่ก็พาลูกรักไปฝากให้จะเสียทุนหนุนค่าวิชาไปท่านมีให้แล้วไม่ขาดเป็นสัตว์จริง ถึงไม่มีบางทีก็กู้เขาจะหนักเบายอมให้ลูกไปทุกสิ่งสู้ตรากตรำทำแต่การงานจริงๆเพื่อแลกสิ่งทรับได้มาให้เราเมื่อลูกเสร็จการศึกษาวิชาเชี่ยวแม่คนเดียวดีใจใครจะเท่าเมื่อลูกหารับได้ใจท่านเบา คอยแต่เฝ้าปลูกฝังหวังให้ดีลูกของแม่เป็นนิสิตนักศึกษาไกลหูไกลตาของพ่อแม่เจ้าของหออาจจะช่วยดูแลก็เพียงแต่ผิวเผินธรรมดาลูกอาจไปดูหนังกับเพื่อนรัก กลับเข้าหอพักห้าทุ่มกว่าลูกอาจไปสุกสนถึงพัทยากลับทันเวลาปิดประตูลูกของแม่อาจไปได้อาจไปเสียกลายเป็นผัวเป็นเมียทั้งทั้ ง, ท, งที่เรียนอยู่พ่อแม่อยู่ไกลไหนจะรู้ก็ยกก็ชูกันต่อไปลูกอาจประสบ ความสำเร็จหรืออาจแอ บ, บเช็ดน้ำตาไหลลูกอาจจะพบความสุขใจหรืออาจทุกข์ยากไร้ได้เท่ากันเรื่องมีคนมารักใคร่แม่ไม่ห่วงแต่เรื่องลูกถูกรวงสิแม่วันลูกอ่อนยาวเกินไปตามใครทันเมื่อตัวใครตัวมันกันทั้งเมือง สาวใกล้แก่หนุ่มไกลเมียยังได้เรื่องเสียตัวเสียเวลาน้ำตาเปรืองเขายักเยื้องหนีหน้าตามตาลายหนึ่งต่อหนึ่งถ้าหญิงแข็งสู้แรงมิเปรียร้ยจะมิเสียหากมิยอมพร้อมโดยง่ายยอมเข้าแล้วมาโอดโอยร้องโวยวายแรกมิอายผิดซ้ำอายทำไม ลูกของแม่เป็นนิสิตนักศึกษาหวังว่ารักตัวและหน้าพ่อแม่ได้เรื่องแบบนี้ปิดมิอยู่คนรู้ในความภูมิใจในตนลูกเ อ, อ๋ยน้อยคนจะมีเมื่อลูกควรครองเรือนก็เตือนตักให้รู้จักเลือกคู่ที่ชูสี แล้วจัดแจงแต่งลูกให้ถูกทีถ้าทรับมีแม่ก็มอบให้ครอบครองแต่ทรับใดไม่สำคัญเท่าเลือดเนื้อที่สืบเชื้อมาเป็นตัวทั่วทั้งผองเป็นทุนเดิมเริ่มแต่งแบ่งให้ครองนับเป็นของมีค่าหน้าคำหนึ่งถ้าตราบใด กายและจิตสถิตยอยู่ก็เหมือนชูชีพแม่แผ่มาถึงจะยืนเดินนอนนั่งตั้งรำพึงปานดังหนึ่งนำท่านนั้นมาใช้ถ้าลูกดีเป็นสีสง่าแม่ถ้าลูกแย่แม่ก็แหลกแบกไม่ไหวทั้งเนื้อตัวทั่วนับเป็นทรัพใน แม่ได้ให้ลูกครองเป็นกองทุนโอ้คุณแม่แผ่ทั่วในตัวลูกแต่ลูกถูกอวิชาพาให้วุ่นถึงมัวเมาเคาอยู่ไม่รู้คุณโปรดการุนลูกด้วยช่วยอภัยตั้งแต่นี้ลูกจะมีสติมั่นทุกคืนวันลูกจะคิดเอาใจใส่ บูชาแม่แต่สนิทไว้ชิดใจจัวบประไลชีพหนอไม่ขอลืมเวลานี้ลูกมีแต่น้ำตาเวทนาตัวที่สุดยังดูดดื่มเป็นพยานการที่ถูกลูกนี้ลืมขอได้ยืมหย่อนโทษโปรดลูกเทินแม่มิใช่เพียงแต่ให้กำเนิดลูก จิตพันผูกเป้าถนอมเป็นจอมขวัญแม่มิเพียงเลี้ยงลูกให้ใหญ่เท่านั้นแม่เพียรสร้างสรรค์นิสัยให้ลูกดีแม่มิเพียงให้สมบัติพัฒสถานให้ลูกมีวิชาการโอราณสีเพื่อลูกได้ดำรงทรงชีวีเป็นวิถีของมนุษย์อันสุดไกล แม่มีเพียงจิตอาทรใจรอนร้าวเมื่อลูกคราวโรคเบียดเบียนเวียนเจ็บไข้ครั้นลูกหายคลายโศก่างโรคภัยแม่จึงใจวายห่วงบ่วงกังวลแม่มีเพียงอิ่มเอมปลึ้มเปรมจิตเมื่อสมคิดเห็นรูปรุ่งเจริญผลตราบรูปแม่แก่เท่าเฝ้าเบียนวน ไม่ร่วงพ้นอ า, าลัยรูปผูกดวงแดงเจ้าประคุณอุ่นรักทุกสายเลือดไม่แห้งเหือดรักนิรันด์นั่นแบบแม่ไม่จืดจางห่างสวาดนิราศแลพระคุณแม่ยิ่งฟ้าดินสิ้นสากลสิ่งยิ่งใหญ่ในพิภพบจบฟ้าฟ้า เฝ้ามองหาความมั่นแข็งทุกแห่งหนไม่สุขสมปราถนาทั่วสากลสิ่งเดียวดนประสบแท้สุดแน่นักสิ่งนั้นหรือคือความรักปักชีวิตแม่อุทิศเพื่อลูกแท้แน่ตระหนักลูกรูปชั่วตัวดำต่ำสามพักแม่ยิ่งรัก สงสารปานชีวาลูกพิการกายใจไรสามารถแม่ไม่คลาดยิ่งปักใจไฟรักหนาแม้ลูกร้ายกลายเป็นโจรโดนอาญาหลังน้ำตาตามติดทุกทิศทางแม้ลูกมีโรคร้ายไม่กลัวเกลียด แม่เคร่งเครียดคอยใกล้ไม่เหินห่างลูกจนไรแม่ยิ่งให้ไม่เว้นวางทำผิดทางแม่ไม่โกรธยกโทษทันแม้ลูกรักจกเป็นสภาพใดรักสุดใจของแม่ไม่แปรผันสิ้นดินน้ำลมไฟประลายกัน ไม่อาจบันรักแท้ของแม่เลยสิโรราบกราประนมพรมของบุตรพระคุณสุดสรรคำร่ำเฉลยจบดินฟ้ามหาสมุทรสุดเปรียบเรยลูกขอเอ่ยพจนาบูชาคุณอันชนกชนนีนิรักเจ้า เทียมเท้าชีวาก็ว่าได้เฝ้าถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงเจ้าไว้ระวังภัยรอบข้างอย่างเหลือเกินจะกินนอนสอนสั่งระวังเจ้าคอยอุ้มข้าวแนบข้างไม่ห่างเหินลูกสำราญบานอุราข้าเพลิดเพลินถ้าบังเอิญลูกไข้ไม่รั้งรอ ยอมทุกทนหม่นไม้ไปกับลูกหายาอยู่เร่งพาไปหาหมอกว่าจะโตโอ้วะห่วงบ่วงผูกคอเพียงแต่ขอให้ลูกชื่นทุกคืนวันอันทรัพย์สินเท่าไรนั้นไม่ว่าให้ลูกค่าเรื่มเปรมกเกษมสันได้ภาคเพียนเรียนวิชาสารพันให้มีปัญญายอดพอรอดตัว อย่าท้อแท้แม่พ่อขอเพียงลูกเดินทางถูกมีศีลธรรมไว้ค้ำหัวจะรวยจนพ้นปัญญาอย่านึกกลัวจงทำตัวสุจริตเป็นนิดไปขอให้เป็นคนดีนี้ประสงค์ยอดจำนงของข้าจะหาไหนเป็นผู้ดีมีศีลธรรมประจำใจอยู่ที่ไหนใจก็สุขทุกคืนวัน จงประพฤติยึดหลักมรรคองแปดเป็นเครื่องแผดเผากิเลสเหตุโมหันตัดตัณหาอุปาทานมารประจันไม่ยึดมั่นตัวตนพ้นทุกข์เอ่ย พ่อแม่เป็นผู้ที่มีบุญคุณต่อลูกอย่างมากมายเหลือที่จะพรร น, นาให้ครบถ้วนได้ตั้งต้นแต่ท่านทั้งสองเป็นผู้ให้กำเนิดชีวิตของเราเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเป็นประถมแล้วได้อุตสาหถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูประครับประคองมาตั้งแต่อยู่ในคันซึ่งท่านทั้งสองอยังไม่มีโอกาสรู้เลยว่าลูกนั้นเป็นหญิงหรือชาย รูปร่างจะเป็นอย่างไรจะมีอาการคบสามสิบสองหรือตาบอดขาด้วนท่านทั้งสองก็ไม่คำนึงมีแต่ความดีใจว่าเราจะได้ลูกแล้วต้องทรมานต่อคุณแม่อยู่ในคันให้เกิดความลำบากอึดอัด9ถึงสิเดือนคันเวลาจะคลอดเราก็ทำทุกเวทนาความเจ็บปวดให้เกิดแก่คุณแม่ อย่างแสนสาหัสจนท่านทนต่อความเจ็บปวดไม่ไหวต้องร้องครวนครางออกมาก็มีบางทีท่านต้องพิกลพิการหรือตายไปเพราะการคลอดลูกก็มีโบราณจึงกล่าวว่าศัตรูที่ยิ่งใหญ่ของสตรีก็คือการคลอดลูกพอลูกออกมาแล้วและเห็นลูกสมบูรณ์และปลอดภัยก็รู้สึกปลื้มใจ ถึงกับยิ้มทางน้ําตานี่แสดงถึงน้ําใจของคุณแม่ที่มีความรักต่อลูกมากถึงขนาดไหนจะเอาอะไรมาเปรียบเทียบกับพระคุณของแม่ได้เล่าต่อจากนั้นทั้งพ่อทั้งแม่ก็กุรีกุจอช่วยกันประครับประคองอาบน้ำป้อนข้าวเลี้ยงดูฟูมฟักทนุถ น, นอมชนิดที่เรียกว่าเลือดไม่ให้ไต ไร่ไม่ให้ตอมกันทีเดียวเวลาร้อนแม่ทนร้อนได้และยังเอาพัดมาโบกมาวีพัดให้ลูกได้รับความเย็นสบายแล้วนอนดูดนมของแม่อย่างเปลมปรีหากลูกยังไม่หลับก็จะไม่ยอมหลับเลยต้องเหตุกล่องจนกว่าลูกจะหลับตนเองต้องจัดแจงอย่างอื่ น, นให้เรียบร้อยก่อนจึงจะเริ่มนอนได้บางที พอลงมือนอนลูกตื่นขึ้นร้องขึ้นมาอีกแม่ก็ต้องรีบกล่อมขวัญให้ลูกกินนมจนหลับเสียใหม่แม่จึงจะนอนได้แม้นอนหลับแล้วพอได้ยินเสียงอะไรดังกรอบกรับหรือเสียงลูกร้องแม่ก็ต้องภาวาตื่นดูลูกต่อไปด้วยใจจดใจจ่ออยู่แต่ลูกลูกลูกลูกเท่านั้นเป็นเสมือนดวงใจของแม่ พยายามที่ลูกพอจะกินข้าวได้บ้างแล้วแม่ก็พยายามบทแล้วก็ป้อนให้ลูกกินด้วยคำยอบ้างด้วยคำหลอกบ้างหวังจะให้ลูกกินได้มากมากแม้ลูกจะกินคำหนึ่งแล้ววิ่งไปเล่นแล้วกลับมากินอีกคำหนึ่งดังนี้แม่ก็พยายามหล่อป้อนให้ลูกกินจนอิ่มแล้วกล่อมให้นอนหลับก่อนแล้วแม่จึงจะได้ลงมือกินข้าว เวลาแม่กำลังกินข้าวหรือทำอะไรอยู่ก่อนเมื่อได้ยินเสียงลูกร้องก็ต้องหยุดรีบมาดูก่อนบางทีลูกถ่ายอุจจาระออกมาแม่ก็ต้องเอามือกวาดชำระล้างให้สะอาดเรียบร้อยก่อนแล้วจึงจะมากินข้าวต่อไปได้ลองนึกดูซิว่าจะมีใครเล่ายินดีเสียสละทำให้ลูกอย่างเต็มใจถึงเพียงนี้ ถึงคราวที่ลูกเดินได้ต่อแตะหรือพูดได้ออ อ, อแๆออพ่อแม่ก็แสนจะดีใจเมื่อยากเท่าไหร่ก็ไม่ว่าพ่อก็อุตสา ห, หางานหาเงินมาให้แม่เฝ้าเลี้ยงลูกบางคราวพ่อแม่นอนลงก็ให้ลูกขึ้นเหยียบเต้นเล่นอยู่บนอกเอามือทุบหัวบ้างดึงผมเล่นบ้างแทนที่พ่อแม่จะรู้สึกโกรธ กลับดีใจหัวร่อล่าแสนจะปลื้มใจว่าลูกของตนแข็งแรงสมบูรณ์แล้วยามใดที่ลูกป่วยไข้พ่อแม่ก็ไม่เป็นอันกินอันนอนพยายามเฝ้าปฏิบัติคอยดูแลทั้งกลางวันและกลางคืนหมอจะมีดีที่ไหนพ่อก็อุตส่าห์ไปขอร้องมาให้ดูแลรักษาลูกจะเสียเงินทองสักเท่าไหร่พ่อแม่ก็ไม่เคยเสียดาย ขอแต่ให้ลูกได้หายจากการป่วยไข้เท่านั้นถึงเงินทองของตัวจะไม่มีก็ต้องไปเอาข้าวของไปจำนำจำนองหรือขอยืมเงินเข้ามารักษาก่อนจนได้จะมีใครอีกเล่าที่จะเสียสละเอาใจใส่ช่วยเหลือเราเช่นนี้โดยไม่หวังผลตอบแทนนอกจากคุณพ่อและคุณแม่ของเราเท่านั้นครั้นลูกจเจริญวัย พอสมควรศึกษาเล่าเรียนได้แล้วก็พยายามเอาลูกไปฝากฝังยังสำนักครูบาอาจารย์ที่เห็นว่าจะสามารถสั่งสอนอบรมลูกให้เป็นคนดีได้เมื่อเขาได้เรียนหนังสือแล้วถ้าต้องเดินไปมาและยังเล็กอยู่ก็อุตส่าห์ไปส่งและไปรับทุกวันจัดข้าวปลาอาหารและขนมไว้ให้ลูกกินเมื่อเวลาลูกกลับจากโรงเรียนเพราะกลัวลูกจะหิว เสื้อผ้าก็พยายามซักลีดให้จนสะอาดตัวไหนสกปรกก็ไม่ให้สวมใส่กลัวลูกของแม่จะไม่สวยเวลาว่างตอนเย็นหรือตอนกลางคืนก็พยายามแนะนำพร่ำสอนว่าสิ่งนั้นไม่ดีลูกจะทำนะสิ่งที่ลูกจะทำต้องขออนุญาตต่อคุณพ่อหรือคุณครูเสียก่อนคนนั้นเป็นคนไม่ดีไม่ควรเอาอยา่าง คนนี้มีความขยันประพฤติเรียบร้อยลูกควรเอาเป็นตัวอย่างเรียกว่ามีความเป็นห่วงทุกรมหายใจเข้าออกจนกระทั่งลูกโตสมควรจะมีสามีภรรยาได้แล้วก็จัดแจงตกแต่งให้สมหน้าสมตาและแบ่งทรัพย์สมบัติให้ธรรมาหากินจนตั้งตัวได้เป็นหลักฐานพ่อแม่ก็จะพอยินดีเป็นที่สุดฉะนั้น พ่อแม่จึงได้น้ำที่ประเสริฐอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นพรมของลูกคือเป็นผู้มีเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาในลูกทุกโอกาสแม้ลูกจะดื้อด้านไม่เชื่อฟังพ่อแม่ประพฤติตัวเสียหายพ่อแม่ก็ยังไม่เกลียดนักปราชในสมัยโบราณจึงพรรณาคุณของพ่อแม่ไว้ว่า หากจะเอาท้องฟ้ามาเป็นกระดาษเอาเขาพระสุเมรุมาเป็นปากกาเอาน้ำในมหาสมุทตมาเป็นน้ำมึกจดจารึกพรรณนาคุณพ่อแม่ไปจนกว่าจากสิ้นกระดาษและน้ำมึกก็ไม่สามารถจะพรรณนาคุณของพ่อแม่ได้จนดึงครบถ้วนกังวลห่วงดวงใจใครเท่าแม่ พระคุณแท้ยิ่งใหญ่กว้างไพศาลเป็นพลังสังคมอุดมการเป็นทิพทานล้อมแก่นโลมแผ่นดินเปรียบแม่เช่นโคมทองของชีวิตช่วยชี้ทิศนำทางช่วยสร้างสรรค์ให้ความรักให้ความรู้ชูชีวัน ลูกจึงมั่นกระตันอยู่รู้แทนคุณแม่สอนลูกให้รับชาติศาสตร์กริย์แม่ป้องปัดความยากทุกข์ที่ขุกเข็นแม่สุขใจที่สังคมไทยร่มเย็นแม่จึงเป็นแม่ประเสริฐลูกเทิดทูนครอบครัวดีมีสุขสันต์นั้นเพราะแม่ เลี้ยงดูแลอบรมลูกปลูกนิสัยมีคุณธรรมล้ำปัญญารายาวไวเมื่อเติบใหญ่พาสังคมอยู่ร่มเย็นลูกได้เป็นคนดีมีชื่อเสียงเพราะแม่เลี้ยงอุ้มชูปูพื้นฐานพระคุณแม่เปี่ยมล้นพ้นประมาณ สอนลูกหลานให้เป็นไทยใจซื่อตรงเสียงเพลงหวานแว่วมาคลาแม่กล่อมตากระม่อมแม่รองรับลูกหลับไหลน้ำนมปนเลืเอดในกายเปรียบสายใยหล่อรอมให้ลูกก้าวย่างเดินทางดีแน่รักลูกถูกทางปลูกสร้างให้ มีจิตใจใฝ่วิชารู้หน้าที่ประพฤตตนอย่างชนพลเมืองดีสามคัคคีมีวิ น, นัยไทยเจริญแม่ประเสริฐเทิดหน้าที่ของชีวิตแก้ไขผิดชี้ทางถูกลูกรู้เห็นลูกสามารถชาติรุ่งเรืองเมืองร่มเย็น ด้วยแม่เป็นแบบอย่างสร้างสังคมทานน้ำนมกลั่นรินลูกกินดื่มแม่ปราบลืมยามลูกรักยิ้มสักหนเพื่อให้ลูกเป็นสุขยอมทุกทนรักเลิศลน้นเกินลูกจะกแทนพระคุณรอบรัวสุขรูปดีเพราะมีแม่ คอยดูแลอบรมบ่มนิสัยรู้หน้าที่มีธรรมประจําใจสังคมไทยก้าวหน้าท้าแม่ดีสายเปเลเปรียบสายใจเข้าไกลกล่อมห่วงถนอมออมรักใครจักเหมือนคําว่าแม่มัดจิตให้คิดเตือน ไม่ลางเลือนจากใจลูกผูกสัมพันธ์ค่าของแม่อยู่ที่การมีลูกรักฝังปลูกเลี้ยงลูกดีจึงมีค่าความเป็นลูกย่อมอยู่ที่มารดากดตันยุตาทำบ่มชี้ลูกดีเลว น้ำใจแม่แลล้่น้ำคำสอนจะกินนอนสารพัดแม่จัดหาถนอมเลี้ยงคุณอนันต์สุดพันนาคุณมารดาเราควรมั่นกะตันยูรอบครัวดีเพราะมีแม่แก้ความทุกข์สังคมสุขเพราะมีแม่แก้ปัญหา ชาติเจริญเพราะแม่ดีมีปัญญาแม่รับค่าเหนือกว่าใครในชีวิตแม่คอยเลี้ยงคอยรักพิทักษ์ลูกแม่พันผูกปลูกชีวิตความคิดให้แนะสิ่งดีสิ่งเด่นสิ่งเป็นภัยหวังภูมิใจเห็นลูกเดินถูกทาง มือแม่อุ้มคุ้มครองปกป้องลูกใจแม่ผูกพันรักสร้างหลักฐานแม่สอนถูกลูกทำดีมีหลักการพัฒนาบ้านเมืองอุดมสังคมเจริญลูกเจริญเป็นคนดีเพราะมีแม่คอยดูแลสอนหัดดัดนิสัย พระคุณแม่สูงยิ่งเหนือสิ่งใดช่วยชาติไทยช่วยสังคมให้ร่มเย็นเป็นแม่ผู้รู้หน้าที่ความดีพร้อมเป็นลูกน้อมสนองคุณบุญสดใสเป็นพื้นฐานบ้านสังคมสุขสมใจเป็นคนไทยที่ควรค่าบูชาคุณ แม่เปรียบพระประทานพรป้อนข้าวน้ำพระคุณล้ำเลิดในไตรสถานข้าน้ำนมคุณน้ำใจหาใครปานลูกกราบกานศักการะเทิดพระคุณนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ควรแก่การกล่าวถึงอย่างยิ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสุรา ธ, ธานีเมื่อยี่สิบปีมาแล้ว มีครอบครัวหนึ่งทั้งสามีและภรรยาต่างรักใคร่ปรองดองกันแม้จะไม่รำ่ำรวยแต่เขาทามาหากินด้วยความสุจริตและอยู่ร่วมกันด้วยความผาสุกตลอดมาอยู่มาพวกเขาก็มีอายุส0สิปีเศษขณะนั้นทั้งคู่มีพยานรักด้วยกันถึงห้าคนแล้วโดยคนโตเป็นหญิงอายุเพียง9ก้าขวบและภรรยา กำลังตั้งคันทายาทคนใหม่ได้เพียงสามเดือนวันหนึ่งภรรยาก็ได้สังเกตพบว่าเลือดของหล่อนไหลออกมาทางช่องคลอดหล่อนลึกแปลกใจว่ากำลังตั้งครันอยู่ไม่น่าจะมีโลหิตไหลออกมาอย่างนั้นสองสามีภรรยาจึงตกงใจไปหาหมอให้ตรวจ ด, ดูจึงรู้ว่าหล่อนเป็นมะเร็งปากมดลูกหล่อนตกใจจนตัวชา ตุดตงนั่งกับเก้าอี้อยู่พักใหญ่หมอก็ได้ให้คำแนะนำอย่างตรงไปตรงมาว่ามะเร็งปากมดลูกที่หล่อนกำลังเป็นอยู่นั้นกำลังอยู่ในระยะที่สองซึ่งมีความจำเป็นจะต้องได้รับการรักษาโดยวิธีผ่าตัดอย่างรีบด่วนที่สุดหากปล่อยไว้อาจจะสายเกินแก้แต่เพราะเหตุว่าหล่อนกาลังตั้งครรภ์หล่อนจริงต้องเลือกเอาระวาง การผ่าตัดโดยทันทีทันใดหรือว่าจะปล่อยให้คลอดลูกก่อนจึงจะผ่าตัดหากเลือกเอาอย่างแรกหล่อนก็สามารถรักษาชีวิตของหล่อนไว้ได้แต่หล่อนจะต้องเสียสะละทารกในครรภ์แต่หากหล่อนจะเลือกเอาอย่างหลังหล่อนก็จะได้ลูกของหล่อนแต่หล่อนอาจจะต้องเสียชีวิตเพราะมะเร็งลุกลมเกินกว่าจะรักษาได้ทั้งคู่กลับบ้านด้วยความประหวั่นพลานพลึง และความเศร้าอาดูลอย่างที่สุดฝ่ายสามีนั้นต้องเลือกเอาระหว่างชีวิตของภรรยาสุดที่รักหรือชีวิตของทารกน้อยยิ่งยังนับว่าอยู่ในสภาพพอจะตัดสินใจได้ไม่อยากนักแต่ฝ่ายภรรยานั้นสิจะมีการตัดสินใจครั้งใดที่บีบคั้นจิตใจของหล่อนเท่าครั้งนี้คงจะไม่มีการตัดสินใจครั้งใดที่จะเปิดเผยโฉมหน้าอันแท้จริงของมนุษย์ ได้อย่างหมดเปลือกเท่ากับการตัดสินใจเกี่ยวกับความตายโดยมีตัวเลือกระหว่างชีวิตของตนกับผู้อื่นระหว่างชีวิตของหล่อนเองที่เป็นสิ่งห่วงแหนที่สุดของตนกับชีวิตของลูกน้อยที่ยังอ่อนนักและเขาได้ฝากชีวิตของเขาไว้กับความรักความเมตตาของแม่แต่แล้วจะต้องมาถูกบั่นให้ขาดลงด้วยน้ามือของแม่เอง เรเหตุผลว่าแม่มีความรักตัวของแม่มากกว่าอย่างนั้นหรือใครเล่าจะสามารถบรรยายภาพของเกลียวขึ้นของทะเลบาภายในจิตใจของมนุษย์และมีการต่อสู้กันระหว่างความเห็นแก่ตนอันเป็นรากเหง้าของความน่าเกลียดน่าจิงชังที่สุดในตัวมนุษย์กับความเมตตาการุณาอันเป็นธาตฝ่ายที่มีความงดงามย่างเหลือประมาณได้ แต่สำหรับคนอย่างหล่อนจิตใจของหล่อนได้ถูกบ่มเพราะในทางเมตตากรุณามามากแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมาหล่อนจึงเลือกเอาอย่างหลังต่อเมื่อลูกปลอดภัยแล้วค่อยเป็นโอกาสของแม่ก็แล้วกันแม่อยู่มานานแล้วแต่ลูกสิยังไม่ได้ลืมตาออกมาดูโลกเลยแม่จะขอทำหน้าที่ของแม่จนถึงที่สุด นะลูกนะเวลาผ่านไปอีกหกเดือนทารกเป็นเพศชายมีสุขภาพสมบูรณ์ดีทุกประการไม่มีผลสำเร็จครั้งใดที่แม่จะภาคภูมิใจเท่าครั้งนี้อีกแล้วตัวของแม่นั่นเล่ามะเร็งได้ลูกตามจนเข้าสู่ระยะที่สามเสียแล้วแต่แม่ก็จะขอสู้ต่อไปเพื่อจะได้อยู่ฟูมฟักลูกๆของแม่ให้นานที่สุด เท่าที่จะทําได้แม้แม่จะมีโอกาสอยู่น้อยเต็มทีถึงเวลาที่หล่อนต้องเดินทางไปรักษาตัวที่กรุงเทพเวลานั้นตัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนับว่ายังห่างไกลจากกรุงเทพมากการเดินทางต้องอาศัยรถไฟข้ามวันข้ามคืนคนป่วยจําเป็นต้องมีใครสักคนหนึ่งติดตามไปดูแลด้วยแต่จะมีใครเล่านอกจากสามีของเธอเท่านั้น ลำพังปู่ย่าที่อยู่ด้วยกันก็แก่มากแล้วและก็ไม่มีใครอีกแต่ถ้าสามีไปกับ่อนใครจะดูแลลูกๆที่ยังช่วยตัวเองไม่ได้สักคนและยังจะต้องทำมาหากินอีกเล่า่อนจึงฝากฝังลูกๆไว้กับสามีและฝากน้องๆกับลูกสาวคนโตช่วยดูแลน้องแทนแม่ด้วยนะบางทีแม่จะไม่ได้กลับมา แล้วหล่อนก็จากไปแต่ลำพังทิ้งไว้แต่ดวงใจที่รักสามีและห่วงลูกๆสุดประมาณขึ้นชื่อว่าเป็นมะเร็งในระยะที่สามนั้นอย่าว่าแต่สมัยยี่สิบปีแล้วเลยแม้แต่เดี๋ยวนี้ก็เถอะนับว่ามีโอกาสรอดยากแต่คนอย่างหล่อนกลับได้รับการยกเว้นด้วยจิตใจอะไรของหล่อนก็เหลือจะเดาที่ทำให้หล่อน ต่อสู้เอาชนะมะเร็งร้ายได้จนเป็นผลสําเร็จเหนือความคาดหมายหล่อนจากบ้านเป็นนานถึงหกเดือนเต็มทั้งยังไม่ได้เห็นหน้าลูกและสามีแต่หล่อนกําลังจะกลับมาแล้วและเป็นความจริงวันนั้นเป็นวันที่เบิกบานตื่นเต้นที่สุดของครอบครัวน้อยๆที่เหลืออยู่แต่พ่อแม่และลูกๆอีกหกคนที่กําลังมีดวงตาใสๆปลีแก้มเป่งปลัง พวกเขาพากันไปทั้งหมดทั้งครอบครัวเพื่อลอรับแม่ที่จากกันไปนานถึงหกเดือนเต็มเมื่อพบกันพวกเขากอดกันกลมทั้งพ่อแม่และลูกๆด้วยน้ำตาอาบนองใบหน้านัดตรงชานชารลาสถานีรถไฟน้ำนมป้อนน้ำคำปลอบมอบลูกแก้ว น้ำใจแพ่วสันทางสร้างชีพให้น้ำเหนือริมเพื่อลูกแม่สุขใจคุณแม่ไซล้ำเลิศหมดเกินทดแทน